ทานมาอีกปีหนึ่งแล้วนะพวงเราก็ดูมีพัฒนาการกันอย่างหลวงพ่อไปเทศที่อื่นๆเมื่อวันไม่กี่วันนี้ไปเทศที่เกษตรส่งบนบ้านสิบคนแยกขันได้สิบคนนะคือหลวงพ่อกล้าพูดอย่างหนึ่งนะว่าไม่เคยมียุคไหน ที่คนภาวนากันเข้มข้นเท่ายุของเราสมัยก่อนนี้กระทั่งวัดวัดหนึ่งหาคนที่รู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังยากเลยอย่าว่าแต่แยกธาตุแยกขันได้เลยส่วนมากก็ทำแต่สมาธิกันทำความสงบไม่ก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดเอาอย่างเดียว บางคนทำสมาธิก็ทำกันหลายๆแบบเมื่อพวกก็ใช้วิธีกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดท้องกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดลมนี่สมาธิทั้งนั้นเลยคนก็พุโทโธพุโทโธบริกรรมโน้นบริกรรมนี้นม า, ะะามมะพะทะสัมมาอะหังอันนี้ก็เรื่องของสมาธิทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แยกไม่ออกว่าสมาธิมันมีหลายชนิดไม่ทำสมาธินิ่งๆกันฝึกให้นิ่ง คิดนิ่งม า, มากๆสงบมากๆแล้วมรรคผลจะเกิดไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันสภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นคนไม่ค่อยรู้จักแต่ก่อนหายากกว่าจะรู้สึกตัวได้สักคนหนึ่งเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนียสภาวะที่เป็นผู้รู้คือไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวไม่เพ่งอยู่บังคับตัวเองอยู่ คนทั่วๆไปมันก็จะลืมตัวเองไม่ได้ฝึกกรรมาฐานก็นลืมตัวเองพวกที่ฝึกกรรมาฐานก็เพ่งตัวเองเพ่งกายเพ่งใจมันไม่สามารถเข้าสู่ทางสายกลางได้นีหลวงพ่อสอนมามสิบกว่าปีก่อนนะคนรู้สึกตัวเป็ดเนี่ยเยอะแยะเลยมาถึงวันนี้พวกเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉย เรามาแยกธาตุแยกขันได้เราเห็นรูปเห็นนามแยกออกจากกันได้อย่างต่ำที่สุดน่ยแยกรูปกับ น, นามรูปก็คือส่วนของร่างกายนิ่งร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนนามคือคนที่ไปรู้คือตัวใจถ้าแยกได้ล ะ, ละเอียดขึ้นไปอีกนีตัวรูปก็แยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้อีกแต่คนจะแยกรูปแท้ๆเข้าไปถึงดินน้ำไฟลมถึงสภาวะแท้ๆอย่างนี้ทําได้ยาก ต้องทรงฌานจริงๆถึงจะทาได้ชัดเจนเหมือนดูได้ไม่ชัดดูได้โดยอนุโลมอนุมานเนาะดูก่ยดูรูปแท้ๆไม่ได้ไปดูรูปข้างเคียงอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปหายใช้ออกรูปหายใจเข้าพวกนี้เป็นเรียกรูปชนิดเียว่าวิญญัติรูปมันไม่ใช่ตัวธาตุแท้ๆไม่ได้เห็นธาตุดินน้ําไฟลม งั้นจะแยกตัวรูปออกไปให้ถึงาธาตุแท้ๆเนี่ยยากมากเลยส่วนตัวนามรรมนั น, นมันแยกง่ายความรู้สึกสุขทุกข์มันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งแล้วแยกต่อไปไม่ได้แล้วสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์แยกออกต่อไปไม่ได้จบตรงนั้นนะสภาวะที่เป็นกุศลแต่ละชนิดชนิดนะศรัทธาปิริยะสติปัญญาอะไรพวกนี้ มันก็เป็นสภาวะเชิงเดี่ยวหมดแนะแยกต่อไปไม่ได้ละเป็นของจริงเรียกว่าปรมา ธ, ธรรมเป็นสภาวะธรรมความจำได้ความหมายรู้ตัวสัญญาความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรดหลงเนี่ยความโรบมันก็แยกออกไปไม่ได้แล้วเป็นสภาวะแท้ๆของมันความโกรธความหลงแยกออกไปไม่ได้เป็นสภาวะจริงๆแล้วตัวจิต ก็เป็นสภาวะธรรมจริงๆตัวหนึง่งงั้นในทางนามธรรมเนี่ยมันแยกง่ายมันไม่มีอะไรซับซ้อนลึกลับเลยส่วนใหญ่คนเข้าใจผิดว่าแยกนามนี่แยกยากอย่างโกรธพวกเรารู้จักใช่ไหมแต่ถามว่าธาตุดินอยู่ที่ไหนชี้ให้เจอสิในน้ำลายมีธาตุดินไหมมีแต่มีน้อยนะมันถึงไม่แข็ง ในเส้นผมเรานี้มีาธาตุไฟไหมมีมีอุณหภูมิเนี่ยีเพราะนแยกให้ถึงาธาตุนะแยกตัวรูปเนะี่ยแยกๆากแยกตัวนาเนะี่ยแยกง่ายไม่ต้องสงฌานใช้ใจของคนธรรมดาอย่างนี้ก็แยกเป็นงั้นสอนที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราสงาพ่อสอนมุ่งมาที่ารวาสไม่ได้พุ่งไปสอนพระ มองแล้วคารวะเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมีพลังที่จะรักษาพระศาสนาได้ดีคารวาะมีการศึกษาสูงมีความรู้ความเข้าใจในโลกอะไรเนี่ยมากถ้าเข้าใจธรรมะแล้วสามารถรักษาธรรมะไว้ได้ดีมีกําลังพระไม่ค่อยมีกําลังลนะพระอ่อนกําลังลงได้ได้นเราไม่ฝากศาสนาไว้กับพระข้างเดียวนะพุทธเจ้าจก็ไม่ได้ฝากอย่างนั้น ท่านฝากศาสนาไว้กับบริษัทสี่พิษสู่ภิกษุณีภิกษสุนีหมดไปแล้วไม่มีอีกแล้วนะถึงบวชขึ้นมาก็ไม่เป็นภิกษุณีจริงนะเป็นอุบาสิกาเรีย ก, กาต่าชื่อเท่านั้นเองว่าพิกษสุนนะีเพราะการบวชนั้นมันไม่ครบองค์ประกอบอุบาสุบาสิกานี่แหละยังมีอยู่สมบูรณ์เป็นสองในสบริษัทพุทธบริษัท ให้หลวงพอมุ่งาที่ฆราวาสนี่แหละครบาศกปริกานี่แหละมันมีกําลังมีสติมีปัญญามากมีความสามารถมีความรู้ถ้าเข้าใจธรรมะแล้ก็จะรักษาศาสนาไว้ได้นี่ก็มาสอนฆราวาสการสอนฆราวาสนั้นเจะมามุ่งทําสมาธิมากๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะฆรวาสไม่มีเวลาการทําสมาธินั้นทํากันแลมเดือนแลมปี ทำกันวันละหลายๆชั่วโมงเพื่อจะได้ฌานได้ไรเนี่ยคารวะไม่มีปัญญาจะรมนี่หลวงพ่อเห็นว่าคารวะเนี่ยไม่มีเวลาที่จะทําสมาธิมากๆสิ่งที่คารวะมีนั่นคือสติปัญญาเนี่ยแล้วมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่รุนแรงพระเนี่ยกระทบอารมณ์ที่ไม่แรงมากนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องความคิดเท่านั้นเองวั น, ว, นวันดำรงชีวิตเหมือนกันทุกวัน แต่คารวะเนี่ยสิ่งที่มากระทบกระทั่งเนี่ยรุนแรงมันทําให้ใจกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจะไปนั่งสมาธิให้มันสงบเนี่ยจ้างก็ไม่สงบง่ายๆหรอกอย่างถ้าพระฝึกห้าปีเข้าชาญได้คารวาะตลอดชีวิตยังเข้าชาญไม่ได้บางทีมันก็เพิ่มแรงจากจุดนี้ก็เลยมองว่าการจะสอนกรรมฐานกับคารวะเนี่ยจะมาเริ่มจากสมาธิเนี่ยไปไม่รอดหรอก ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็คือใช้ปัญญานําสมาธิไม่ใช่สมาธินําปัญญานี่จะให้เกิดปัญญาก็อาศัยสตินี่เองมอคอยรู้นะรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแป ล, ปลงของอะไรของใจจิตานุ ป, ปัสนานะเหมาะกับพวกที่ไม่ได้ฌานเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกไม่ได้ฌานก็ดูจิตดูใจออกถ้าเข้าชาญแล้วมาดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆมันจะว่างอยู่งั้นนะ เป็นวันเป็นเดือนแต่คนที่เข้าฌานไม่ได้นะพอตามมองเห็นจิตก็แหวงหูได้ยินเสียงจิตก็แหวงจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายกระทบสัมผัสได้จิตก็แหวงก็เพิ่มไปเรื่อยๆคนทั่วไปมันกระเพิ่มฟรีไม่มีประโยชน์อะไรนี้ถ้าเรามามีสติขึ้นมาเรารู้ทันตาเห็นรูปใจกระเพิ่มรู้ทันหูได้ยินเสียงใจกระเพิ่มรู้ทันใจไปคิดใจกระเพิ่มรู้ทัน จะเพิ่มออกมาเป็นอะไรมาเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างเป็นลบโกรธลงบ้างนี่ให้เราคอยรู้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันแปลกปลอมเข้ามาในใจนเวลาความสุขเกิดขึ้นให้รู้ความสุขมาจากไหนมาจากทัศะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีทัศน์ก็เลยเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกสุขเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาแล้วเราให้ตามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่หลีกเลี่ยง ไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะั้นบางคนจะทำกรรมฐานไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนั้นมันไม่ใช่วิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดพอกระทบอารมณ์แล้วนะมันเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาท่านบอกว่าผัสสะใช่ไหมเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนามีผัสสะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกาใจทําให้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆขึ้นมา เกิดเวทนาก็ให้รู้มันก็จะเห็นอีกเวทนานั้นเกิดได้ก็ดับได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อย่างตาเรามองเห็นรูปเนี่ยใจเราจะเกิดสุขหรือใจเราจะเกิดทุกข์เราเลือกไม่ได้หูเราได้ยินเสียงใจจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เลือกไม่ได้ใจเราคิดจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยการดูจิตดูใจนั้นเราดูให้เห็นอนิจจงอนัตตาทุกขังดูยาก จิตเนี่ยทุกทุกขังดูยากมันเร็วเกิดวับดับวับดับไม่ทันจะเห็นทุกมันดับไปก่อนไม่เหมือนรูปรูปร่างกายอะไรพวกนี้ดูง่ายว่าเป็นทุกอายุมันยืนทุกมันมีเวลาแสดงตัวนานงั้นเวลาที่เราจะมาเราไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยเราอาศัยเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกใจกระทบอารมณ์นะรกระทบแล้วเกิดสูขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้ เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้รู้แล้วเจออะไรได้อะไรขึ้นมารู้แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวอย่างบางทีเกิดศรัทธานะศรัทธาก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาแล้วนะเกิดวิริยามีความพากเพียรอยากปฏิบัติอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ขี้เกียจแล้วเนะี่ยมันของไม่เจี่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยมีสติไปเดี๋ยวก็ขาดสติอีกละ เห็นไหมสติขาดบ่อยใครรู้สึกสติขาดบ่อยบ้างถ้ารู้สึกอย่างนี้ดีถ้าใครรู้สึกสติชั้นไม่เคยขาดเลยนะสติเที่ยงะวันนี้เวรกรรมแล้วนะจริงๆแล้วมันเกิดดับตลอดเวลากระทั่งจิตก็เกิดดับนะจิตไม่ได้เที่ยงอย่าไปเข้าใจผิดถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกเป็นสัสนาทิฏฐิคงที่อยู่นั้นแท้จริงแล้วเกิดดับตลอดเวลาแต่ไม่ได้ดับแล้วศูน ถ้าดับแล้วสูญก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อเจททิฏฐิมันจะเกิดดับสืบเนื่องกันไปได้แรงตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเรามาเฝ้ารู้นะเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นในจิตใจก็รู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่แทรกแสงการแทรกแสงทําได้หลายแบบเริ่มตั้งแต่แทรกแสงไม่ให้เกิดความรู้สึก แสรแซงไม่ให้เกิดความรู้สึกนะมีตาเขาดูมีหูก็ฟังมีใจกขาคิดแต่ว่าแทรกแสงให้รู้สึกแทรกแสงได้อย่างไงอย่างเวลาที่ตาเห็นรูปนี้แทรกแสงได้ตั้ง4แบบเนะีน่าอาัศจรรย์ไหมความจริงอาจจะมากกว่านั้นนะแต่สติปัญญาหลวงพ่อมองเห็นได้แค่4แบบถ้าพระพุทธเจ้าท่านอาจจะได้เห็นร้อแบบก็ได้นะเราสาวกปลายแถวเห็นได้ไม่มากในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยถ้าเรากําหนดอยู่ที่รูปที่ตาเห็น เอาสติไปจ่ออยู่ที่สิ่งที่มองเห็นนะอันนี้จิตจะนิ่งเฉยลแล้วแทรกแซงจิตแล้วหรือถ้าเรากำหนดอยู่ที่ประสาตตาที่จ่อประสาตตาเอาสติจ้องอยู่ที่จอประสาตตาขณะที่เห็นรูปใจก็จะเฉยนี่เป็นการแทรกแซงอีกพวกหนึง่งเวลาตากระทบรูปมีผัสสะเกิดขึ้นนะเอาสติจ่ออยู่ที่ผัสสะอยู่จ่ออยู่ที่ตรงจุดกระทบที่การกระทบจิตก็จะเฉย อีกพวกหนึ่งเวลาตามมองเห็นรูปนะีมีความรับรู้ทางตามีวิญญาณต่างๆเกิดขึ้นแล้วจับอยู่ที่วิญญาณต่างๆจับที่ความรู้สึกต่างตานะความรับรู้ทางตาจิตก็จะเฉยแม้ข้าตาเห็นรูปนะก็ทําผิดได้ทั้ง4แบบที่หลวงพ่อเห็นนะอาจจะมีมากกว่านั้นนะแต่เกินสติปัญญามละเอียดมากดูไม่ทันงั้นเวลาที่ตามองเห็นรูปเห็นก็เห็นสิว่าต้องอย่างนี้นะออมีตาก็ดีกว่าตาบอดแหละ มีตาก็เห็นรูปก็ถูกแล้วอ่ะพอเห็นรูปแล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะขณะที่ตามองเห็นรูปขณะาานั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์จิตใจจะเป็นอุเบกขาอย่างเดียวเลยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในขณะที่มองเห็นนะแล้วก็ไม่มีดีไม่มีชั่วด้วยในขณะที่ตามองเห็นนะดีชั่วมาเกิดทีหลังสุขทุกข์ทางใจมาเกิดทีหลังนะขณะที่ตามองเห็นรูปเนีเป็นอุเบกขาเฉยๆถัดจากนั้นมันจะส่งสัญญาณ พวกเรามองออกไหมพอตาเราเห็นนะทีแรกขนาดที่เห็นนะใจมันเฉยๆแต่มันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีการส่งสัญญาณเข้ามานะมีการรับสัญญาณแล้วแปลความหมายแปลความหมายแล้วให้ค่าว่ามันคืออะไรวุ้ยนี่สาวสวยเนี่ยพอแปลได้อย่างนี้นะราคาก็เกิดหรือหนุ่นมรอเนี่ยราคาก็เกิดนี่หมาหมาบ้ า, ากําลังวิ่งมานี่โทรศัคือความกลัวก็เกิดเนี่ยจะเกิดอย่างเนี้ย มันไม่ได้เกิดตอนที่ตามองเห็นไม่ได้เกิดตอนที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแต่มันเกิดเมื่อจิตมันทํางานสืบเนื่องออกมาแล้วนั่นเราไม่ไปหยุดจิตห้ามทํางานเพราะฉะนั้นการไปหยุดจิตไม่ให้มันทํางานต่ อ, อนะตาเห็นรูปก็กําหนดอยู่ที่รูปกําหนดอยู่ที่ประสาตตากำหนดอยู่ที่ผัสสะ ก, กําหนดอยู่ที่จัคคูวิญญาณจิ ต, จตคือความรับรู้ทางตาอันนี้คือการแทรกแซงทําให้กระบวนการทํางานของจิตนะั้นทได้ไม่เต็มที่ มันขาดสะบั้นตรงตรงนั้นเองงั้นเราไม่ต้องไปบังคับมันมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดเมื่อมันดูมันฟังมันคิดนะมันสัมผัสต่างๆแล้วเนี่ยเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เอาเกิดดีก็รู้เกิดชั่วก็รู้เอาแล้วเราจะเห็นนะว่าความสุขเกิดขึ้นก็ดับไปจิตที่มีความสุขก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับความสุขดับไปพร้อมๆกับความสุขมันเกิดดับไปด้วยกัน เวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดกว่าความทุกข์จิตที่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตก็เกิดดับพร้อมกับความทุกข์กุศลเกิดขึ้นเราก็เห็นน่ากุศลเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดกับกุศลเกิดก็ดับพร้อมๆกับกุศลโลภโกรดลงเกิดขึ้นเราก็เห็นโลภกรดลงเกิดขึ้นจิตที่มันเกิดร่วมกับโลบโกรดลงก็เกิดดับพร้อมๆกับโลภกรดลง <Started. S 2> งั้นจิตกับสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตไงสิ่งที่เกิดร่วมกับจิ ต, ม, จตมีสัพ์เรียกเฉพาะนะว่าเจตสิกจิตกับเจตสิกนั้นเกิดพร้อมๆกันดับด้วยกันอยู่ด้วยกันนะจะอยู่โดยมีแต่จิตดวงเดียวไม่มีเจตสิกไม่ได้เด็ดขาดเลยมีจิตต้องมีเจตสิกนะงั้นธรรมชาติของจิตใจมันเป็นอย่างนั้นเองเราไม่ห้ามเหมันเราเห็นความเกิดดับของจิตผ่านความเกิดดับของเจตสิก เพราะเจตสิกนี่มีความหลากหลายแต่จิตไม่มีความหลากหลายจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มีอันเดียวงั้นถ้าเราไ่เราไม่สนใจเจตสิกเราจับอยู่ที่จิตอย่างเดียวเราจะไม่เห็นความเกิดดับของจิตแต่ถ้าเรารู้ทันความสุขเกิดขึ้นจิตที่สุขเกิดขึ้นด้วยกันพอความสุขดับจิตที่มีความสุขก็ดับไปด้วยกันเราเห็นนะจิตมันเกิดดับได้โดยดูผ่านตัวเจตสิกที่เกิดดับนี้เอง เพราะตัวจิตนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรให้สัมผัสได้เลยนะมันไร้รูปจริงๆนะแต่ตัวเจตสิกนัมันเหมือนร่างกายของจิตไม่ว่าจิตตสังขารคือสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตมันเป็นจิตตสังขารมันเป็นร่างกายของจิตทำให้จิตดวงนี้มีลักษณะแตกต่างกับจิตดวงนี้ทำไมต้องเห็นว่าจิตดวงนี้ต่างกับจิตดวงนี้ก็เพื่อจะเห็นว่าจิตนั้นเกิดแลดับ นรียคือหลักของการที่เราจะมารู้เท่าทันจิตใจของเรานะไม่ใช่ดูจิตก็คือไปจ้องอยู่ที่จิตไปจับอยู่ที่ตัวจิตไปจ้องอยู่ที่จิตจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความว่างไปจับอยู่ที่จิตจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากการเข้าอารูปฌานจะกลายเป็นอรูปฌานเพราะจะไม่เห็นเกินดับดังนั้นการดูจิตที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ดูจิตตรง แต่ดูจิตโดยอาศัยเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับผ่านทางความเกิดดับของสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตความสุขเกิดขึ้นมาจิตมันก็มีความสุขถ้าจิตที่มีความสุขมันก็ดับไปพร้อมๆกับความสุขนั่นแหละเมื่อเกิดจิตเฉยๆขึ้นมาจิตเฉยๆเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับความเฉยๆความเฉยๆอยู่ชั่วคราวก็ดับจิตที่เฉยก็ดับเกิดเป็นจิตทุกข์ขึ้นมาหรือจิตชั่วจิตดีอะไรขึ้นมา เนี่ยเราก็จะดูแลเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่คือหลักของการดูจิตให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ดูจิตให้สงบเฉยๆถ้าดูจิตให้สงบเฉยๆจ้องไปที่เริ่มต้นอย่าไปจ้องที่ตัวจิตยัยงจะไม่เห็นถ้าจะดูจิตให้เกิดความสงบนะเป็นการเข้าอารูปฌานเนะเริ่มต้นให้จับไปที่ความว่างก่อนลองหลับตาซิเรารู้สึกไหมข้างหน้าเราว่างๆเสียงไหนเน มีการแทรกแซงก่อการร้ายนี่เจนไหมเราขำจิตที่ขำก็เกิดขึ้นรู้สึกไหมเมื่อกี้จิตตั้งใจฟังธรรมะดับไปแล้วเกิดจิตที่ขำขึ้นมาแทนเห็นไหมมันเปลี่ยนเราเห็นจิตเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะสิ่งที่มาเกิดร่วมกับจิตะเหมือนอย่างน้ำนะน้ําแต่ละขวดนะมันใสเหมือนกันหมดเลยรู้สึกเป็นอ e ันเดียวกันหมดเลยดันนี้ใส่สีลงไปใส่สีลงไปมันเห็นน้ํามัน อย่างน้ำในลําห้วยไหลามาไหลามาตรงนี้หยอดสีนี้ลงไปตรงนี้ถัดขึ้นไปหยอดอีกสีหนึ่งก็เห็นน้ํามันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อาศัยการรู้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานี้แหละอย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญาแต่ถ้าจะหาความสงบเนี่ยจับไปที่ความบ้างๆก่อนอย่างเราหลับตาเรากลั่นใจนิดหนึ่งเรากลั้นหายใจนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกบ้างๆอยู่ เนี่ยถ้าเราจับอยู่ที่ความรู้สึกว่างๆเนี่ยนะจับไปเรื่อยจนชำนิชำนาญนั้นนกถึงปุ๊บจับปั๊บเลยฝึกไปเรื่อยมันไม่มีอะไรตรงนี้มันว่างๆตัวนี้เรียกว่าช่องว่างเป็นช่องว่างสังเกตไหมข้างๆไม่ว่างมันว่างอยู่เฉพาะช่องเดียวเนี่ยตรงช่องว่างเนี่ยเรียกว่าอากาศสานัญจายตนะถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้นะแล้วมันดับโลกธาตุดับหมดเลยเหลือที่จิตอยู่กับช่องว่างนี้เข้าอรูปฌาน ช่องว่างเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลองทําอีกทีหนึ่งลองกลั้นใจแล้วดูไปที่ว่างๆสังเกตไหมว่าว่างๆนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะถอยออกมาสังเกตไหมตัวรู้อยู่ข้างหลังตัวรู้อยู่ข้างหลังตรงนี้พอแล้วไม่ต้องฝึกต่อนะถ้าฝึกต่อจะติดติดแล้วแก้ยากมากเลยแก้กันแดมปีนี่สอนให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านะั้นแหละเอาแค่ว่างๆนะอย่าไปจับเอาตัวรู้นะถ้า ตรงที่ว่างๆเนี่ยว่างๆเป็นอารมณ์เป็นสิ่สง er ที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราไปรู้ตรงนี้นะจะเข้าอรูปที่หนึ่งเรียกว่าอากาสารนัญจายตนะถ้าเราสังเกตไปตัวนี้มันถูกรู้เรามัจับเอาที่ตัวรู้ตัวรู้จะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆในเรื่องวิญญาณเป็นอนันต์ตัวนี้เป็นอนันต์นะเป็นนอินฟินิตี้วมันจะซ้อนๆๆๆไปไม่มีที่สุดเลยตัวนี้จะเข้าสู่วิญญาณนัญจายตนะมาจับเอาที่ตัวรู้ไม่จับที่อารมณ์ ต่อมาถ้าเราภานาต่อไปเราเห็นว่าจับที่ตัวรู้ก็ยังเป็นภาระอีกนะก็ทิ้งทั้งอารมณ์ทิ้งตัวรู้สู่ความไม่มีอะไรเรียกอากินจันญญายตนะเป็นรูปที่3าเนะนี่ยเวลาที่เล่นทางอารูปเนี่ยเขจะเล่นกันอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็สรุปนี่ไม่ใช่ทางนะท่านสรุปมาแล้วนะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปดเดินแต่ถ้าเราเอยากไว้พักผ่อนนิดนิดหน่อยหน่ยได้ เราเข้าฌานอะไรอย่างแปลกๆไม่เป็นตามมาตรฐานไม่เป็นกลั้นใจสันิดหนึ่งจับความรู้สึกลงไปที่ความว่างๆสันิดหนึ่งเราจะได้พักอยู่แว บ, บหนึ่งอย่างซวยกาลังจะโกรธสติจะแตกแล้วบีนจะแตกแล้วกลั้นใจนิดหนึ่งดูไปที่ความรู้สึกว่างๆถอยออกมาเนี่ยความโกรธจะขาดไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วความโกรธนเอาตัวรอดได้เป็นคราวๆนะถ้ากาหนดลงไปปุ๊บว่าง หอยอกมาเห็นไอ้คนนี้เลยสติแตกก็มีนะ <laughs> <laughs> มือไปแล้วมีนะ <im> มือตบมือตบเนี่ยสติระลึกรู้ว่ามือกำลังจะไปตบหน้าเขาแล้วสั่งให้มือหยุดแล้วมือไม่หยุดเพราะอะไรมือรับออเดอร์ของจิตดวงก่อนมาเรียบร้อยแล้วไม่ยอมเปลี่ยนนะ <im> อย่างนี้ก็มีนะเรื่องของกลไกเรื่องของจิตของใจแล้วโอ้ยพิ <im itation> สดารยิ่งเรียนยิ่งสนุก ของที see, De De ่ไม่เคยเห็นได้เห็นของที่ไม่เคยรู้ได้รู้นะของที่ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจเนี่ยคอยรู้คอยดูของจริงเรื่อยๆไปแล้วเราจะค่อยเปลี่ยนเราจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจะไม่เคยรู้อะไรหรือเกี่ยวกับตัวเองก็จะได้เห็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าตัวเราของเราค่อยๆดูค่อยๆรู้เออจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงจะเห็นมันวนเวียนทั้งวันเลย เราก็เห็นว่าเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ความสุขไม่มีสั่งให้มีก็ไม่ได้ความสุขมีแล้วสั่งให้มีนานๆก็ไม่ได้ความทุกข์ยังไม่มีนะห้ามมันววาอย่ามีเขาห้ามไม่ได้เดี๋ยวมันก็มามาแล้วไล่มันก็ไม่ไปนีไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยสั่งว่าอย่าโกรธก็โกรธสั่งว่าอย่ารักก็รักอะไรเนี่ยเคยไหมบอกว่าไม่รักแล้วต่อไปนี้จะไม่รักแล้วคนนี้ยิ่งสาวๆเนี่ยนะพอ ถูกเขาหลอกเขาจับได้แนละ้วว่าเขาหลอกนะต่อไปนี้จะไม่รักอีกแล้วคนเนี้บางคนยิ่งกว่า น, นั้นอีกนะต่อไปนี้จะไม่มีความรักใครอีกเลย<ม>นะอีกสามวันก็มีอีกแล้วเพราะอะไรใจมันห้ามไม่ได้ใจเปนของห้ามไม่ได้เนี่ยเ้าดูลงไปดูแล้วจะเห็นนะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตานะีถ้าดูจิตดูใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคารวัตนะถ้าคารวัตจะไปทรงฌานทรงอะไรไม่ทรงหรอก นะกว่าจะเข้าฌานได้ไม่ใช่ง่ายนะพระยังฝึกกันหลายปีคนะรว่าที่ทําได้มีไหม ม, ม, นะมีแต่มีน้อยมีแต่มีน้อยลูกสิษย์หลวงพ่อที่เป็นครว่าแล้วทาสมาธิเก่งๆมีอยู่สามสี่คนเองนะที่ว่านึกจะทําสมาธิเมื่อไหร่ก็ทําได้นะนอกจกนั้นเหรอหายใจกันเฮืกๆนะไม่ยอมสงบหรอกนะใครทําสมาธิได้เร็วสงบทันทีได้ยกมือให้ดูทีมีไหมไม่มีเลยเนาะ ใครฟุงสซ่านเป็นอา จ, จินโอ้นี่แหละดูจิตไว้หมอแล้วไม่มีทางเลือกหรอกไม่ใช่หลวงพ่อเลือกให้นะพวกเราเลือกการดูจิตของเราเองนะหลวงพ่อเลือกให้เราไม่ได้หรอกแต่นี่สายสันดานของเราเนี่ยต้องดูจิตนะเพราะอะไรเพราะเราทรงสมาธิไม่ได้เราดู ก, กายไม่ได้นะดู ก, กายเราก็ไม่เห็นตัวรูปที่แท้จริงไม่เห็นดินน้ำไฟลมหรอกนะ เห็นได้รูปข้างเคียงเห็นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งเห็นได้แต่รูปข้างเคียงพวกนี้รูปแท้ๆไม่เห็นนะส่วนนามเนี่ยเห็นได้นะโดยที่ไม่ต้องสงสารแค่หัดรู้หัดดูไปมันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังหลักของการปฏิบัติเนี่ยหนูพ่อมาสอนแบบเปิดเผยให้เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสองสอนหลวงพ่อนย แต่ว่ามันเป็นวงแคบมีหลวงพ่อไปเรียนจัมีเพื่อนไปคนสองคนเลยแค่นี้นะหลวงพ่อมาสอนวงกว้างด้วยธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนมาในขั้นประณีตลึกซึ้งนี่ยบางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านท้วงนะในช่วงแรกๆะท่านเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์เคารว่ะทําไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้แล้วท่านบวชมาท่านแต่เด็กท่านบวชมาแต่เป็นเนนท่านรู้สึกต้องอย่างนั้นถึงทําได้เราก็ไม่ว่าท่านนะท่านก็ดีของท่านแต่ละองค์ แต่ท่านไม่เข้าใจคราวาต์คราวาตก็มีข้อดีนะหลวงพ่อภาวนาด้วยวิธีนี้แหละแต่ว่าถือศีลห้านะศีลห้าต้องถือแล้วทุกวันทําในรูปแบบต้องทำทำในรูปแบบเนี่ยวันหนึงสักสิานาที20นาทีเท่าที่มีกําลังถ้าจะทํากลางคืนไม่ไหวทํำแล้วหลับนะก็ทํากลางวันทําแต่เช้านะตื่นนอนมารีบทํำสกอดเลย หายใจเรืออะไรก็ทําไปสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนจะเดินจงกรมก็ได้แล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นมีพลังขึ้นมาแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเราเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจมีอยู่ให้มันกระทบไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ไปอย่างนี้นะนี่หลวงพ่อทําอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดกับเวลาที่เหนื่อย เน่มากๆไม่สามารถดูจิตดูใจได้เข้ามาดูกายมารู้เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าบางวันนี้เครียดมากเลยงานมันหนักเนี่ยคารววานไม่ใช่งานกระจอกวอกง่ายนะงานหนักมากเลยทํางานหนักหัวหมุนติ้วติตนะจะมารู้ลมหายใจก็รู้ไม่ไหวหลวงพ่ออ่านหนังสือการ์ตูนเด็กๆนะต้องการ์ตูนเด็กนะอย่าอ่านการ์ตูนผู้ใหญ่นะให้อ่านการ์ตูนเด็กๆไปหาซื้อมาอ่านการ์ตูนเด็กเล็กๆก็ดีไม่มีพิษมีภัยอะไรนะ แล้วก็จิตใจเราจะได้ดูเด็กขึ้นนะจิตเด็กนั่นแหละดีเหมาอาการปฏิบัติจิตเด็กไม่มีมันยาจิตเด็กเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดียดเด๋ยวก็วร้ายเดี๋ยวก็ผัวเราองเดี๋ยวก็ร้องไห้เนี่ยเราจิตที่ดีที่สุดคือจิตอย่างนั้นแหละเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ดีเพราะฉนั้นตอนหลวงพ่อเป็นคารวะเนี่ยถือศี่ห้าแต่ถืออย่างเข้มแข็งนะถืออย่างเข้มแข็งแต่ถือยากคารวะ บางทีเจ้าหนายสั่งเราให้กกหกเนี่ย โ, โหยากมากเลยเราทำไงวะสั่งให้เรากกหกนั่งอยู่โต๊ะติดกับเราแท้ๆเลยแล้วแกขี้เกียรรับโทรศัพท์นั้นแกบอกว่าถ้าใครโทรมาหาพี่นะให้บอกว่าพี่ไปไประชุมนะเวนะสีเราตั้งใจรักษาศีลต้องใช้ยังไงยกขึ้นมาหัวหน้าสั่งว่าไปไประชุมครับ ใจเราก็มองไปหน่อยๆนะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดขาดเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยโคตรลำบากอ่ะลำบากมากเลยแต่พยายามรักษาศีลห้าไม่ต้องศีลแปดหลวงพ่อไม่เคยอดเข้าเย็นเลยนะแต่แต่เป็นคารวะแต่ตอนเป็นพระนี่อดนะเดี๋ยวจะมาตัดเสียงหลวงพ่อตรงนี้ตอนนี้วักเดียวนะไปแจ้งมาหาเถระสมัคมของหลวงพ่อประมุ่ไม่เคยอดเข้าเย็นเลยอันนั้นตอนเป็นโยมนะเป็นพยานนะ <laughs> ไม่อดนอนไม่ได้อดกินใช้ชีวิตธรรมดาเนี่แต่มีสีนห้านะไม่ได้ลำบากอะไรหรอกแต่ทุกวันทำในรูปแบบสั้นๆไม่มากยี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้นะแต่ว่าหลวงพ่อจะมีเทคนิคส่วนตัวซึ่งพวกเราจะทำยากนิดหนึ่งก่อนนอนหลวงพ่อกินน้ำเยอะๆมันจะปวดฉี่บ่อยตอนปวดฉี่ลุกขึ้นมาจะฉี่เนี่ยนะ จะได้ภาวนาแล้วตอนนั้นตั้งสัจจไว้กับตัวเองเลถ้าตื่นขึ้นมาแล้วงัวเงียภาวนาจิตมืดมืดมัวมัวจะไม่นอนต่อไม่ขนาดนี้เลยนะที่ฝึกทีแรกตื่นขึ้นมางัวเงียว่ากลุ้มใจเลยว่าตายแล้วเ่าสว่างก็ไม่สว่างนะฟ้าก็จะสว่างอยู่แล้วใจเรายังมืดเลยไม่ได้นอนเหนพรุ่งนี้ก็จะทํางานอะไรนะใจก็กังวลเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ยอมเสียสัจจะ ไม่ยอมเสียความตั้งใจฝึกของเราอย่างเงี้ยในที่สุดพอตื่นปั๊บนี่นะสว่างจิตนี่สว่างจ้าเลยอัตโนมัติเลยนะเพราะอะไรมันกลัวเราจะพาวนาทั้งคืนเนี่ยกิเลสมันก็กลัวเราเหมือนกันนะมันก็ถอยให้เราเหมือนกันเรากา็สว่างแล้วนอนได้เนะียเสียท่ามาอีกเหรอฉลาดชิบเป่งเลยเนาะอะไรจะฉลาดเท่ากิเลสนะไม่มีหรอก มันนะยอดยอดไม่ยอดจริงนะมันปกคลองโลกไม่ได้คลองโลกไม่ได้เนี่ยอาศัยวิธีนี้นะค่อยๆเลี้ยงตัวเองมาในเพศของคร ว, า เ, า, วาเนี่ยภาวนาอย่างเนี้ยถึงปีไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจะไปหาโลกพระพุทธที่หนึ่งที่โคราชนะแล้วสามเดือนเนี่ยจะได้มีเวลาว้างๆยาวหน่อยวันมาค้าวิสาขาข้าวพรรษาอะไรช่วงเนี้ย วันเฉลิมนะช่วงเนี้จะลางานลาหัวลาท้ายอะไรเงี้ยได้หลายวันจะไปหาหลวงปู่ดูล่วงหลวงปู่เทศหลวงปู่ศิลป์อะไรที่อยู่ไกลๆหลวงตามหาบัวอะไรอยู่ไกลๆเนี่ยประคองตัวมาด้วยวิธีนี้นะแล้วเวลาไปหาครูบาอาจาร ย, ย์ที่พระมานั่งฟังพระยังถามเลยว่าโยมทําได้ไงพระทํา10ปี20ปีทําไม่ได้เท่าโยมทําปีเดียวบอกท่านว่าผมทําทั้งวัน ท่านฟงแล้วคงงงท่านคงคิดว่านั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันเพราะคาว่าธรรมของพระเนี่ยไม่ใช่นั่งสมาธิเดินจงกรมเปล่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดต่างหากนะแต่มีสติเห็นไหมตัวนี้ต่างหากตัวสําคัญเสร็จแล้วเราจะเห็นพัฒนาการนะจิตใจเราจะเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนที่มองง่ายๆเลยเราจะทุกข์สั้นลงไม่ทุกข์นานจะทุกข์สั้นๆแต่เดิมเคยทุกข์นานทุกข์สั้นเคยทุกข์มากมากก็จะทุกข์น้อยไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กเยอะ นะทุกนิดนิดหน่อยๆน่อยพอไม่ให้เสียมารยาทคนนึงเขาทุกข์กันมากนะ <c oughs> คนนึงเขาทุกข์กันเยอะเราจะเลรรื่นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อย่างหลวงพ่อไปงานศพเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยทุกข์เลยแมนะ้แต่เป็นโยมนะก็ทั้งพ่อตัวเองตายนะจิตเบิกบานนะไม่ได้ว่าได้โมร ด, ดกนะแต่ว่าจิตมันเบิกบานของมันเองอะ่ะมันเห็นนะว่าว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงอะ่นะคนเราเกิดแล้วตายนะชีวิตนี่เป็นของไม่แน่นอนมันเห็นอย่างนี้จิตมันเบิกบาน งั้นอย่างกระทั่งไปงานที่คนเขาร้องห่มร้องไห้นะเราก็ต้องทำหน้าเศร้าๆนะเราจะไปหน้าเรื่อนอยู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ใช่สัตว์บุรุษไม่ใช่คนดีหรอกไม่รู้จักมารยาทสังคมจะไปยิ้มระเรื่น ส, สมควรแล้วนะตายตายไปเถอะเดี๋ยวเราจะตายเองลูกหลานเขาได้ตือ้อเราเดี๋ยวถามว่าใจมันทุกข์ไหมไม่มทุกข์อ่ะอะไรเกิดขึ้นมาไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอก ทุกกระทุกนี้นิดหน่อ ย, อยถึงทุกเยอะนะก็ทุกสั้นๆไม่นานเดี๋ยวก็เปลี่ยนเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะแล้วการที่เรามองโลกก็เปลี่ยนนะเรามองโลกเนี่ยความรู้ความเข้าใจในโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วหลวงพ่อก็สังเกตนะคนแต่ละคนเนี่ยมองคนอื่นเนี่ยแตกต่างกันนะมองมองคนคนเดียวกันนะสมมติมองมองสิ่งเดียวกันนะคนหลายๆคนมองสิ่งเดียวกันนะแต่จะมองในมุมที่ไม่เหมือนกันหรอก ตามชั้นตามภูมิของจิตนะอย่างพวกชั่วร้ายเนี่ยนะมันเห็นคนอื่นเนี่ยมันจะเห็นเหมือนสัตว์ที่เห็นเหยื่อมันเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อตลอดเวลานะว่าตัวเองจะเอาประโยชน์จากเขาได้ยังไงเนี่ยใจจะเป็นอย่างนี้เจอใครแล้วก็คิดแต่ว่าจะหาประโยชน์ได้ยังไงใจคิดอย่างนี้นะใจอย่างนี้มันภูมิธรรมของพวกสัตว์นะพวกสัตว์สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกพ่อสุรกายอะไรเนะี่ยมันคิดแต่ว่ามันจะเอาอะไร มันจะได้อะไรนะอย่างถ้าอยู่ในวัดอย่างหลวงพ่อนะอยู่วัดมันอยู่ริมป่าจะมีสัตว์สัตว์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยสัตว์แต่ละตัวเนี่ยนะต้องรักษาชีวิตตัวเองอย่างเข้มแข็งที่สุดเลยพลาดไม่ได้เลยเพราะสัตว์อื่นเนี่ยมันมองสัตว์ตัวอื่นนะมันมองสัตว์อีกตัวหนึ่งว่าเป็นเหยื่อนะหรือไม่มันก็มองว่าไอ้ตัวนี้ร้ายกว่ามันมันจะกลายเป็นเหยื่อมันต้องหนีเนี่ย เวลาสัตว์มันอยู่ด้วยกันมันจะเบียดเบียนกันอย่างเนี้ยหรือพวกสัตว์นรกบางพวกนะพวกนรกเขาเรียกนรกโรคกันนรกโรคกันเนี่ยมันอยู่ในที่มืดสนิทเลยเอ้พวกเนี้ยตัวใหญ่มากเลยคลยคล้ายค้างคาวแล้วมันจะอยู่ในที่มืดนจะค่อยค่คลําไปเงี้ยถ้ามันเจอกันนะมันจะสัดกันเลยจะกินซึ่งกันและกันถ้าตัวไหนล้มลงไปนะอีกหลายตัวจะเข้ามาลุมกินเลยนะจะกินกันด้วยวิธีเนี้ย เนี่ยถ้าเมื่อไหรนะใจของเราต่ำใจเราต่ำมากมากเนี่ยเราเจอคนอื่นเรามองคนอื่นนนะด้วยสายตาของสัตว์นะคือเรามองว่าเราจะเอาอะไรจะเขาไดนะ้แต่ถ้าเราใจเราสูงขึ้นมาใจเราเป็นมนุษย์เต็มภูมิเนเราจะมองคนอื่นเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกนะเขาก็ทุกเราก็ทุกนะเห็นอกเห็นใจถ้าเรามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นขึ้นมานะ เห็นเขาก็เป็นทุกเราก็ทุกข์เหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันอันนี้พวกใจสูงเรียกว่าใจมนุษย์นะแต่ถ้ามีใจอีกประเภทหนึ่งเห็นคนอื่นแล้วก็คิดว่าเราจะทําประโยชน์ให้เขาได้อย่างไรกลับข้ากับไอ้พวกแรกนะไอ้พวกแรกเจอคนอื่นคิดว่า ก, กูจะเอาได้ยังไงพวกนี้อีกพวกนี้เจอคนอื่นแล้วคิดว่าเราจะให้อะไรเขาได้บ้างพวกนี้ใจพระโพธิสัตว์ไม่ธรรมดานะใจสูงมากเลยใจพระโพธิสัตว์คิดแต่ว่าทําไงจะให้เขาได้ประโยชน์ มีหลายประเภทนะจิตใจหรืออย่างถ้าเป็นพระนะพระแท้ๆเนี่ยมองโลกเนี่ยเห็นโลกว่างเปล่านะแต่ใจที่ไปเห็นโลกที่ว่างเปล่านี่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเนี่ยเป็นความอัศจรรย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายลงมาเนี่ยท่านไม่ได้เห็นพวกเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรหรอกมันนั่งกันตาแป๋วๆนะท่านเห็นว่ามันว่างเปล่านะแต่ใจท่านเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาซึ่งตรงนี้พวกเรานึกไม่ออกใช่ไหม ถ้ามันไม่มีคนแล้วมันจะมีเมตตาลิงที่ไหนอ่ะอย่าคิดอย่งนี้นะเนี่ยคิดแบบใจไม่ใช่พระรู้ตัวไว้เลยนะใจยังไม่ถึงขั้นหรอกถ้าใจถึงขั้นเนี่มันจะเห็นโลกนี้ว่างไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะแต่ความเมตตากรุณาเนี่ยมันเต็มเปี่ยมเลยแล้วมันมีอีกพวกหนึ่งนะเห็นโลกนี้ว่างเปล่านะแต่ใจเนี่ยเฉยเมยใจเฉยเมยแห้งแล้งแข็งกระด้างเฉยเมยมันไม่มีคนไม่มีสัตว์พวกนี้พวกมิจฉาทิฏฐิ เพราะนพวกนี้ทําอะไรก็ได้ทําร้ายคนก็ได้หรือว่าไม่มีคนทำอะไรก็ได้เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราจะมาวัดตัวเองนะใจของเราควรจะสูงขึ้นสูงขึ้นพวกเราตอนเนี้ไม่ต้องยกมือนะตอนเนี้ใครเวลาที่มองคนอื่นยังดูคนอื่นในลักษณะของเหยื่อบ้างมีมไหมไอ้หนุ่มๆเนี่ยเห็นสาวก็คือเหยื่อตัวหนึ่งนะเออหรือยุกนี้นะผู้หญิงมันเห็นผู้ชายก็คือเหยื่ออีกตัวหนึ่ง เยือตัวนี้มีหนวดเท่านั้นเองอะ่ะมันก็คือเหยื่อเนี่ยมันเป็นเหยื่อซึ่งกันและกันนะเนี่ยลักษณะที่ว่าเป็นเหยื่อมันคือสัญชาตญาณของสัตว์สัญชาตญาณของสัตว์ถ้าเรายัางอยู่ตรงนี้นะก็รีบพัฒนาเขา้ามีศีลมีธรรมนะรักษาศีลทุกวันทําในรูปแบบจเจริญสติจเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันดูรูปดูนามแสดงใจลักไปดูรูปไม่ได้ก็ดูนาม เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วเกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงเกิดเองดับเองสั่งไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆใจมันจะค่อยกระเถิบขึ้นกระเถิบขึ้นต่อไปใจมันจะเป็นมิตรกับคนอื่นไม่ได้คิดจะเอาประโยชน์จากเขานะใจมันจะเป็นมิตรเป็นมิตรเห็นว่าพ่อมันลําบากด้วยกันนะสงสารเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยใจเราเป็นมนุษย์ละถ้าใจเราสูงกว่านั้นขึ้นไปนะจะจะอยากช่วยเขาอีกที ใจระดับพระโพธิสัตว์อยากช่วยโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแท น, นใจสูงแล้วเราก็ภาวนาของเรานะจนวันหนึ่งใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยว่าเราเห็นนะโลกนี่ว่างว่างเปล่าแต่ว่าใจนี่มันเต็มไปด้วยเมตตากรุณาตัวนี้พูดแล้วบรรยายภาษามนุษย์ยากนะอย่างหลวงตามหาบัวท่านพูดเรื่อยหท่านเมตตาโลกสงสารโลกอะไรเียท่านภานา ตั้งเยอะแยะทำไมความเมตตาครอบงําใจหรือไม่ครอบงํารูศอก็ไม่ครอบงําใจแต่ว่ามันมีอยู่แต่มันไม่ได้ครอบงําใจนะท่านก็สงเคราะห์ครูบาอาจารย์ก็จะสงเคราะห์ทั้งแต่ผู้เจ้าขยันทํางานผู้เจ้าตื่นมาแต่มืดหน่อยก็พิจารณาแล้ววันนี้จะทํางานอะไรจะสอนใครจะสอนอย่างไรจะไปสอนที่ไหนนะ ก่อนจะสอนต้องจัดฉากยังไงทําไงจะเจอเขาทําไงเขาจะถามอย่างนี้อะไรเงี้ยนะท่านมีพิจารณานะถ้าเป็นพวกเราเขาเรียกวางแผนแต่พุทธเจ้าไม่ได้วางแผนเป็นยานทัศนาของท่านท่านดูว่าสัตว์ตัวไหนเนี่ยบารมีมันมากพอแล้วที่จะรับธรรมะของท่านได้นะท่านก็จะเผยแสดงธรรมะให้แต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยตื่นขึ้นมาเราคิดว่ามีงานอะไรจะต้องทํำยังไงต้องอะไรอันนี้วางแผน แต่ระดับพุทธเจ้านี่ไม่ต้องอะ่ะท่านจะทําใจสบายนะแล้วก็แผ่ความรู้สึกออกไปคนไหนมีบุญบารมีว่าวันนี้สมควรแล้ถึงเวลาแล้วกูศนส่งแล้วที่จะมาเจอท่านก็จะปรากฏขึ้นมาท่านก็จะอย่างรู้ว่าจะสอนอยังไงงานท่านหนักนะเช้าท่านมาท่านไปบินทบายนินทบายไม่ได้มุ่งเอาข้าวเท่าไหร่หรอกเพราะระดับพุทธเจ้านะคนนิมนต์ทุกวัน เข้าคิวนิมนตนะ์ยาวอย่าว่าแต่พูะเจ้าเลยหลวงพ่อในะคิวนิมนต์ข้ามปีนี่เราขนาดกระจอกง่อยๆนะแล้วท่านไปบินธบาตเนี่ยท่านไปเพื่อไปโปรดสัตว์จริงๆนะไม่ใช่ไปให้สัตว์โปรดไปปลดสัตว์จริงๆไปสงเคราะหนะ์ให้เขาได้ทําบุญบ้างบางทีก็ไปคุยกับเขานะไปบินธบาตเสร็จแล้วก็แวะไปคุยกับเดือดถีบางคนก็มีนะคุยกับปริพาชกบางคน ทำไมชอบไปคุยกับปริภาชคปริภาชกเป็นพวกชอบใช้เหตุผลพวกนักวิชาการใช้เหตุใช้ผลท่านไม่ค่อยไปคุยกับพวกหัวตื้อหัวรันนะไม่ไปฮะในท่านจะทํางานหนักนะกลับมาฉันเสร็จแล้วก็รับแขกอีกบ่ายๆก็คารวะเสร็จฐุราษฎร์จากไร่จากนาก็เข้ามาฟังเทศขํามๆพวกสอนพระบางทีพวกพระเจ้าแผ่นดินก็มามาดึกๆพระเจ้าแผ่นดินกลางวันทํางาน ดึกๆจริงๆพวกเทวดามาอีกแล้วท่านแทบไม่ได้พักเลยเนี่ยพร อ, อะไรอะไรผลักดันนั่นก็คือมหากรุณาที่ผลักดันนั่นเองนี่พวกเราบางคนใจต่ำนะบางคนดูถูกพระพุทธเจ้ายุคนี้มีความแปลกๆบางคนไม่นับถือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไปนับถือพระพุทธเจ้าในอดีตจริงๆอย่างหลวงพ่อนับถือพระพุทธเจ้าทุกองนะ เพราะท่านดีทุกองค์แต่องค์ปัจจุบันต่าหากที่กําลังทําหน้าที่อยู่ใช่ไหมมาองค์นับถือองค์ปฐมไม่นับถือองค์นี้บอกว่าบารมีน้อยดูสิมาตรัสรู้ในยุคที่เสื่อมทรามมากคนเข้าใจบาปหยาบช้านคนอายุสั้นแสดงธรรมแล้วก็ได้สาวกไม่กี่พันอะไรเงี้ยสาวกก็น้อยอะไรเงี้ยดูถูกท่า น, นบางคนก็ไปนับถือพระพุทธเจ้าในอนาคตนะทำบุญหวงังอย่างเดียวจะเจอพระศรีอาร นะไม่รู้หรอกว่าไม่ว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนนะท่านก็สอนอริยสัจอันเดียวกันนี้แหละนะงั้นคนไม่ฉลาดนะจะไปมัวแต่กังวลถึงอดีตกังวลถึงอนาคตนะทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าสาระที่สุดในปัจจุบันมีศีลมีธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้แหละดีที่สุดเลยนะแล้วถ้าเรามีศีลมีธรรมเราภานาะเราจะรักพระพุทธเจ้าทุกองค์นะเคารพทุกองค์เลยทั้งแต่อดีตยันอนาคตเรารู้ว่าท่านดีทุกองค์ เมตตากรุณาของท่านสูงทุกองคนะ์แต่ว่าไม่ใช่โง่คิดว่าไปเจอองค์โน้นแล้วจะสบายกว่าองคนะ์นี้นะนั่นโง่ามากเลยนะคิดเหรอว่าไม่พาวนานแล้วไปเจอพระสีอานแล้วจะตัดสลุง่ายๆตามท่านไม่ได้กินหรอกนะอย่าเหลวไหลนะพระเจ้าองค์อะไรองค์นี้เลยมหากรุณาเนี่ยมหาศาลเลยท่านตัดสลูงในยุคที่เสื่อมทามมากคนว่ายากสอนยากหัวดื้อหัวรัน้น เป็นไหมหัวดื้อหัวรัน้นใครยังสืบพันหัวดื้อหัวรั้นมาแต่พุทธกาลมั้งเยอะเลยสิเ <c oughs> ยอะเลยนะยิ่งมาถึงยุคเราเนี่ยคือไอ้พวกหัวดื้อที่หลงอยู่นะมันต้องดือด้อโคตรๆเลยละ่นะพวกที่หัวไม่ดือ้อเขาหลุดไปหมดแล้วนะงั้นอย่าดื้อต่อไปอีกนะถ้าดื้อต่อไปพอไปเจอพภาษีอ่านเนี่ยจะเป็นเอตทธค้าทางดือ้อนะงั้นมันก็ไม่ได้ อ, อีกแล้วมันก็ฝันต่อไปถึงพุทธเจ้าในอนาคตองค์ต่อไปอีกนะไม่ทําสักที งันลงมือทําได้แล้วอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆนะแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นพอถึงปีเราก็ประเมินตัวเองได้แล้วโอ้ดีขึ้นแล้วไม่เคยมีศีลก็มีศีลไม่เคยมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็อยู่ไม่เคยมีสติปัญญาเห็นความเกิดดับของรูปนามก็เห็นแยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุขันแสดงใจรักได้ เกิ S <S <an> ดความรู้สึกใหม่ๆต่อโลกนะความรู้สึกต่อโลกต่อคนอื่นสิ่งอื่นก็เปลี่ยนความทุกข์้อสั้นลงความทุกข์้อน้อยลงนี่มันวัดตัวเองได้ทั้งนั้นเลยหลวงพ่อไปเทศที่ไหนสักที่หนึ่งโรงพยาบาล BNH หรือนอะไรเทศเสร็จแล้วนะหมอที่โรงพยาบาลวนะ่าแปลกนะเพิ่งเคยเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี่มีส่งกันบ้าน วัดได้ด้วยเหรอครับว่ามีพัฒนาการนะบอกอวัดไม่ได้ก็ไม่ใช่าศาสนาพุทธสิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองยังได้เลยนะทําไมจะวัดไม่ได้ว่า ด, ดีขึ้นหรือเลวลงอ่ะไม่าพาฒนาไปดุยดุยไปแล้วก็ดีขึ้นหรือเลวลงก็ไม่รู้วันนี้แย่แล้วนะพวกเรารู้ตัวใครรู้ตัวว่าเลวลงบ้างยกมือสิมีไหมไม่มีเลยหรอใครรู้สึกดีขึ้นยกมือสิโอใครรู้สึกเสมอเสมอตัว มันเที่ยงเหรอโลกนี้เที่ยงเหรอเสมอตัวจะโกหกมันก็ให้มีศิลปะบ้างอะไรมันจะคงที่นะอ้ามหมดเวลาแล้วใครจะส่งกันบ้านเชิญฝึกนะแล้วชีวิตจะดีขึ้นนามสัามสกาหลวงพ่อค่ะก็เคยปฏิบัติตามแนวทางมาประมาณสองปีกว่าค่ะอันนี้ก็ส่งกันบ้านในรอบสองปีปฏิ ปฏิปทาก็ดีบ้างหย่อนบ้างอยากให้หลวงพ่อดูให้ว่ายังอยู่ในร่องในรอยไหมแล้วก็ขอการบ้านไปทําต่อครับไม่ผิดศีล น, นะหรือเวลาจะทําผิดศีลแล้วละอายใจนะั้นก็ถือว่าอยู่ในร่องในรอยถ้าจิตใจไม่เคยอยู่กันเนื้อกับตัวก็อยู่กันเนื้อกับตัวมากขึ้นมากขึ้นก็อยู่ในร่องในรอยค่ะถ้าแยกธาตุแยกขันได้นะแต่ก่อนแยกไม่ได้เดี๋ยวนี้แยกได้ก็แยกไปอยู่ในร่องรอยค่ะเห็นไหมว่าธาตุขันแสดงใจรักษได้เอง เห็นค่ะก็นั่นแหละอยู่ในร่องในรอยแล้วล่ะจะรอยอะไรมากกว่า น, นี้ปัญญามันเหมือนสรุปนานๆทีจะปัญญาไม่สรุปทุกวันสรุปทุกวันคือความคิดใช้ไม่ได้เลยนะมันหลายเดือนมากเลยอะค่ะทีหนึง่งบางทีตั้งหลายเดือนปัญญาสรุปทีหนึง่งนะี่ยจนบางทีเราว้าเวจใจเลยนะว่าอพอนาน ม, มาช่วงนี้ไม่มีผลงานใจรู้สึกอย่างนี้หลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเนี่ยยิ่งช่วงที่จะต้องไปหาครูบาอาจารย์แล้วถ้ตายละ ว, ว่าช่วงนี้ไม่มีผลงาน นั่งปั่นไปตั้งแต่กรุงเทพเนี่ยปั่นกันบ้านสุดท้ายก็ไม่มีไม่สําเร็จไม่มีอะไรแปลกใหม่ใจมันยอมนะพอใจมันยอมปุ๊บปิ้งขึ้นมาอีกอมีผลงานแล้วกําลังเข้าประตูวัดพอดีเลยเป็นเหมือนกันแล้วขอการบ้านไปทําต่อคะ่ะไปดูนะใจเราร้ายไหมก็มร้ายบ้างคะ่นะเออเนี่ยรู้ทันมันนะความร้ายมันจะค่อยลดไปลดไปนะคุณงามความดีมันจะเพิ่มขึ้น ความเมตตากรุณาอะไรไก็จะเพิ่มขึ้นไปฝึกไปดีแล้วล่ะค่ะขันมันแยกเป็นแล้วก็ดีแล้วพอใจตรงเนี้กลับนบรัตการหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมานานแล้วเหมือนกันครับครั้งลา่าสุดหลวงพ่อบอกให้ดูตัวโลภกับตัวที่กูเก่งนะครับก็เจอไหมคือคือมันก็คงเจอแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเห็นยังไงก็ ดูมันไปอย่างนั้นดูเท่าที่เห็นนะครับดูเท่าที่เห็นก็คิดว่าก็น่าจะพอมีพัฒนาการขึ้นบ้างครับหลังจากที่คือพัฒนาการในขั้นนี้นะไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรต่อไปแล้วครับถ้าภาวนามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพัฒนาการเนี่ยก็คือการยอมรับความจริงครับใจเป็นยอมรับความจริงได้มากขึ้นมันก็พัฒนาขึ้นครับถ้าใจยังยอมรับไม่ได้ก็ไม่พัฒนา มันไม่เหมือนหัดใหม่ๆนะไม่มีสติมีสติก็เรียกพัฒนานะก็ลองลองเทียบดูจากที่เคยมาฟังหลวงพ่อครั้งแรกที่เนี่ยเขามา่อสี่ห้าปีที่แล้ววัดตัวเองเลยตรงเนี้ยนะว่าขนาดเนี้ยการยอมรับความจริงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ละยังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ยอมยอมรับความจริงคือผมไม่รู้ว่าสูงสุดมันแค่ไหนแต่ถ้า มันก็กระดุบกระดุบมาเรื่อยๆน่าจะสักน่าจะเกินครึ่งหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันไม่ตอบให้หรอกนะ <laughs> เดี๋ยวคนมันว่าอวดอุดตรี <laughs> ไปหาดดครับผมเราวัดด้วยตัวเองได้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะเดินต่อไปครับแล้วเราเห็นว่าเราคล้ายๆเราแต่เดิมเนี้ยอยู่ในป่าทึบครั บ, รบไม่เห็นเดินเห็นตะวันนะค่อยๆมุดมุดมุดไปเรื่อยมันอยู่ในป่าปลงแลครับ มันก็เอารู้แล้วโอ้ทนี้มันต้องชายป่าแล้วมันชักโปล่งขึ้นแล้วมันจะมีกำลังมีกาลังใจลึกๆลึกๆเหมือนมันมารู้สึกว่าเนี่ยมีคนเดินนํำมีเห็นคนที่เดินนำก็กวักมือให้เดินอยู่เรื่อยๆผมก็รู้สึกมั่นใจในในเส้นทางที่จะเดินระวังนะนำไปอาจจะมานําก็ได้นะมันหลอกก็กวักมืออ๋อครับผมครับผมแล้วก็ อีกสภาวะหนึ่งที่ที่เกิดมาหลังๆนี้ผมรู้สึกว่าประมาณว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันไปผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับคือพอมันเกิดมาเห็นปุ๊บ ก, ก็ดูมันไปแล้วก็ต ร, ตรงนี้แหละตรงที่ว่ามันเกิดแล้วเราก็รู้เนี่ยตรงที่รู้เนี่ยมันสับปะรู้ว่าเห็นได้จริงหรื อ, อยังะมันได้สักกี่เปอร์เซนต์ตัวเนี้ยที่หลวงพ่อถา ม, มานะอ่ะนะอ๋อตัวนี้แหละนานๆจะเห็นจริงสักทีหนึ่งครับนี่แหละวัดกันอย่างนี้นะครับครับ แล้วพอใจมันเห็นความจริงเนี่ยคำ ว, ว่ารู้สักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยมันจะชัดมากขึ้นมากขึ้นมันจะแท้จริงมากขึ้นครับฉะนั้นที่แต่ละคนพูดว่าเห็นสักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้ใครๆก็พูดได้แต่ใจไม่เป็นหนอรอกเนี่ยของ ค, คุณไปวัดดูตัวเนี้ยว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันวัดได้คงเยอะอยู่ครั บ, ร, บรู้ยังไม่ชัดครับต่อไปขอบพระคุณครับ กับนรุสการหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าให้ไปทํารูปแบบเพื่อจะจิตมีกําลังขึ้นอทีนี้ผมก็ทําบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะกังวลถึงเรื่องต้องสวดมนต์ก่อนนะครับครั้นี้สวดจะสวดยาวหน่อยบางครั้งก็ระลึกถึงว่าถ้าเราสวดมนต์แล้วเราจิตแว บ, บไปเราก็ระลึกรู้แต่ว่าจะเป็นคิดว่าเป็นการทําในรูปแบบที่ว่าจิตตั้งมั่นอย่างนี้ น, นะครับ แต่ว่าที่ถ้าใจเราฟุ้งมากเราก็สวดยาวๆหรือสวดมันจนหมดเวลาเลยก็ได้หมดเวลาแล้วในเวลาว่างๆกลางวันสวดดีก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วสิ่งที่ได้นะคือได้สมาธิจิตใจจะมีเรี่ยวมีแรงนะรู้สึกไหมว่าจิตมีแรงรกำลังของจิตดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นตะกี้ที่ยกมือบอกว่าเลวลงนะไม่จริงนะ แต่ว่า ท, ที่เธอบอกว่าเลวลงก็คือว่าจริงๆเวลาผมอยู่คนเดียวแหละขับรถแล้วฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยหรือ ว, ว่าขับธรรมดาคนเดียวนะครับจะเกิดจิตตั้งมั่นหรือว่ามีสติระลึกดูได้ในอารมณ์ที่ที่เปลี่ยนไปได้ครับแต่ว่าถ้าอยู่กับในหมู่คนเฉพาะคนใกล้ชิดนะครับในครอบครัวนะครับอเวลาเกิดโดยเฉพาะเกิดโทสะโมหะเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันระเบิดแล้วก็ รู้ประหลาดใจตัวเองว่า ไ, ไม่สามารถที่จะประยุกต์มาใช้ได้เลยครับไม่ทันท่วงทีอะครับเราสั่งจิตไม่ได้หรอกสั่งไม่ให้โทสะขึ้นนั่นห้ามไม่ได้เวลาอยู่ในครอบครัวนะถ้าเป็นครอบครัวยุคใหม่ๆสมัยแรกแรกนะนจะเต็มไปได้วยราคะพออยู่ไปนานๆจะเต็มไปได้วยโทสะเป็นเรื่องปกติอะก็เลยคิดว่าเอ้ฟเราสะสมมาเป็นหมื่นๆชาติไหลอยังหลวงพ่อว่าก็พยายามบอกกับ คนในครอบครัวนะครับทำในพี่พี่น้องน้องแม่ไงว่าเพราะเนี่ยเป็นคนที่กิเลสหนาสันดานหยาบอะไรเงี้ยครับเลยต้องต้องมาฟังธรรมะเขาบอกโอ้ฟังธรรมะฟังซีดีหลวงพ่อเยอะจังแต่ทําไมอารมณ์กาดเกลี้ยงรุนแรงอย่างนี้ต้องบอกสิถ้าไม่ฟังร้ายกว่านี้นะใช่ครับผมบอกอย่างนั้นนะครับเพราะด้วยเหตุนี้ถึงต้องมาฟังเพื่อเป็นการเตือนสติใช่บอกไม่งั้นเธอตายไปแล้วตรงนี้พยายามกําลังคิดอยู่ว่า จะมาประยุกต์ใช้ให้ทันท่วงทีนี้เราจะต้องฝึกแนวไหนไม่มีอะไรดูของเราอย่างนี้แหละต่อไปเราจะเห็นนะทุกคราวที่โทสะเกิดเนี่ยทุกก็เกิดเพราะฉะนั้นโทสะเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีก็ เ, เห็นอย่างนี้นะใจมันจะไม่เอาโทสะเพราะใจมันกลัวทุกตอนนี้เราไม่ได้มองเวลาโทสะเกิดนะเราคิดว่าทําไงจะดับลองปรับมุมมองนี้นะมองให้เห็นทุกที่เกิดขึ้นครับ พอเห็นทุกข์เมื่อไหร่มันจะถอยออกมาเองไม่เอาแล้วมันทุกข์ครับแต่ก็าต่ำนึกได้เร็วนะครับพอถ<ม>ึงช่วงพอเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ที่แบบปกติได้ในเวลาที่เร็วขึ้นมากกว่ามมไม่ไม่ขุนมัวแต่แต่บางครั้งถ้าไม่อาจจะเป็นบางครั้งที่อาจจะขุนมัวต่อเนื่องไปบ้างอย่างเงี้ยครับและอีก อ, อีกห่างนะครับเวลาผมขับรถเนี่ยครับมือที่จับพวงมาลัยอะ่ะเมื่อทีผมกันแลลึกถึงเอ๊ะถ้ามองดูแล้วบางทีก็เห็นมือแบบ เหมือนท่อนจริงๆครับแต่ว่าใจก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจนะฮะแต่ก็ดูเลืกว่าเป็นก็อาจจะเป็นนี้หรือเปล่าที่เรียวกว่ารูปอะไรอย่างเงี้ยนะใช่มันไปเป็นสิ่งที่เป็นท่อนๆแข็งๆครับรูนะ้สึกมันไม่ใช่เหมือนมือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับไม่ต้องใส่ชื่อถ้าใส่ชื่อก็แค่รูปเท่านั้นเองครับคราวนี้ผมขอการบ้านหลวงพ่อหรืออะไรที่หลวงพ่อคิดว่าผมน่าจะไปปรับปรุงไปทําไปคอยรู้ท่ันนะนะนนะเวลาโทรศัพท์เกิดทุกข์ก็เกิด ไปดู <I> ขอบคุณมากครับน้มาสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะส่งกานบ้านเป็นครั้งแรกเลยก็ที่ปฏิบัติมาเป็นการดูจิตในชีวิตประจําวันนะคะไม่ได้เน้นนั่งปฏิบัติตามรู้ทันบ้างเวลาอารมณ์โกรธมันขึ้นเล่นขึ้นมาเป็นรีวิวรู้ไม่ทันบ้างหรือว่าระลึกได้ตามทีหลังบ้างะคะ่ะจนบางทีเห็นจิตตั้งมั่นบ้างแยกธาตุแยกขันได้บ้าง แล้วก็ปฏิบัติจนเห็นว่าศีลมันซัพพอร์ตกับการภาวนายิ่งรักษาได้มากเท่าไหร่แล้วยิ่งเห็นความจริงละเอียดยิ่งไปยิ่งมากขึ้นค่ะไม่รีบร้อนนะค่อยๆพัฒนาของมันไปอย่าใจร้อนอย่าเป็นคนใจร้อนอยู่ <c oughs> ไม่ทราบว่ามาถูกทางถูกแล้วลนะ่ะมันก็ดีขึ้นแล้วนี่ทำสม่าเสมอนะทาสม่าเสมอทั้งทาบ้างหยุดบ้างไม่ได้ พ่อถวายการปฏิบัติเป็นการบูชาหลวงพ่อพระพุทธศาสนาค่ะา ก, การธรรมสการหลวงพ่อครับคือคืออยากคืออยากทราบ ว, ว่าในการปฏิบัติถ้าเรามาถึงการงานขั้นสุดท้ายครับหมายความว่าต้องการจะดับเนี่ยเราจะดับในสมาธิระดับไหนครับใหม่นะาไหนนะาไมสิฮูวิ่งพอดีครับผมหมายถึงการงานชิ้นสุดท้ายะครับผม ชิ้นสดท้ายก็คือตายครับผมหมายความว่าผมอยากจะทราบว่าในจังหวะที่เราจะดับนี่ยเราควรจะดับในสมาธิขั้นไหนครับถ้าแบ่งสมาธิออกเป็น9ระดับครั บ, ค, รบคือถ้าดูในขั้นของอปฐมฌานทุติยฌาน ต, ตัตยฌานพวกนี้สวยอารมณ์หมดเลยครับแต่จะมีจตุฌานอันเดียวครับเป็นสมาธิของการปฏิบัติแบบวิปัสสนาที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นอุเบกขาอารมณ์ครับจากนั้นเมื่อขยับขึ้นถึงอรูปฌานที่เยรูป เอาแคร่ okay, รูปอย่าไปเอารูปใช่ครับ ถ, ถ้าเป็นอารูปประชานี่ดับแล้วเป็นพรมแน่นอนครับไม่รูปประชานเขาไปเป็นพรมใช่ครับแต่มันเป็นพรมมีรูปครับพรมมีรูปใช่ครับพระศสียญาณเมตไตรามาก็ยังฟังเทศได้ครับอย่าเข้ า, ารูปอย้าเข้ า, ารูปแล้วก็เสร็จเลยพุทธเจ้าตรัสรู้อีกร้อยองค์ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยครับนะแล้วจะมีสัสสญญาววทิยิตานิโรธคือการเข้าสมาบัติใช่ไหมครับ ส, ส, ญญสมาธิระดับเก้า ทำไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้ครับยังไม่ได้ไม่ใช่ภูมิใช่ครับยังไม่ถึงจริงครับเออแต่ถ้าเป็น4ี่ระดับนี้พอพอจัดการได้เหมือนกันนั่นแหละก็ฝึกนะหนึ่งสองสานั่นแหละอยู่อย่างนั้นแหละครับผมแล้วกรณีอย่างทําการทํางานที่จิตว่างนะครับการทํางานที่จิตว่างของท่านพุทธทาสก็คือการทําวิปัสสนาญาณอันหนึ่งครับหมายความว่าอยู่กับสมาธิที่เรากําหนดทําสมมตินั่งหนอยืนหนออยู่กับตรงนี้พออยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บจิตเราจะไม่พุ้งไปถึงสิ่งที่รวบโกรธหลงนะครับ ผมใช้ตรงนี้เป็นหลักเลยได้สม ถ, ถะ ไ, ไม่ใช่วิปัสนาอืครับเมื่อไหรแทรกแซงจิตแทรกแซงกายไม่ใช่วิปัสนาละออย่างพยายามทําจิตให้ว่างตลอดเวลาสมถะแน่นอนครับนะต้องแยก ค, คําพูดของท่านให้ดีนะในเวลาขั้นเหตุเนี่ยขั้นทําเหตุเนี่ยท่านสอนอนาปนาสตินะสิบหขั้นนะ ะ, นะให้ทําเหตุในอานาปนาสติของท่านมีทั้งสมถะทั้งวิปัสนา ส่วนที่ว่าจิตว่างจิตว่างนั้นเป็นผลแล้วอย่าไปทำผลนะถ้าไปจงใจทำจิตว่างเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยงั้นบางทีฟังหลวงพ่อพูดท่านนะฝ่าเราเคลิมหลวงพ่อเนี่เคยเคลิมนะถึงขนาดวันหนึ่งต้องไปนั่งซักท่านนะท่านย่างถามลนะ้วคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรืลนะแล้วเีกอย่างหนึ่งครับหลวงพ่อครับกรณีอย่างโสลตยานะครับ จำเป็นต้องรู้ใช่ไหมครับเพื่อจะใช้ในการดับรูปดับน้ํานให้มันสนิทจริงๆครับอย่าไปคิดมากรู้ลงปัจจุบันไป <c oughs> ยานเป็นชื่อของปัญญาอย่าเป็นล้าหน้าไปคิดถึงมันบางทีผมปฏิบัติไปมันมีปัญญาตรงนี้แทรเข้ามาก่อนครับหลวงพอ่อนั่นแนหะวิปัสสนูครับครับมันหลอกแล้ว <c oughs> ยานเป็นปัญญาปัญญาให้มันเกิดเอง <c oughs> นะเพราะมันเป็นภาวนาไมยะปัญญาหนะ้าที่เราก็คือมีสติมีสมาธิ ดูรูปนามไปนะเห็นเกิดดับไปนะแล้ววิปัสนาญาณคือปัญญานี่มันจะแก่กล้าขึ้นอย่าไปคิดนำนะคิดนำตกทันทีเลยแต่ทั่งนามเริ่มต้นไอ้รูปแยกรูปนามก็ทำไม่ได้เลยคนะิดนะคิดมากไปครับคิดเยอะไมครับกลับนามาต ก, การครับหลวงพ่อครับพอดีมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดครับผมเลยมีสภาวะธรรมมาสอบถามครับ <c oughs> ก็คือผมปฏิบัติด้วยการรู้กายครับเพราะว่าเป็นคนรักสุขรักสบายเธ อ, อดีครับผมแล้วก็พอ ร, รู้กายรู้กายเดินกายนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรู้จิตไปด้วยโดยอัตโนมัติครับจนมีอยู่วันหนึ่งก็ เ, ออเดินเสร็จนะครับก็ไปเดินเดินจงกรมเสร็จครับก็ไปอ่านหนังสือออกเสียงทำแล้วอยู่ดีๆก็ติดก็รวมเข้าไปเองครับผมอืมแล้วก็ความรู้สึกเหมือนจิตมันแหวกออกครับหลวงพ่อ แล้วก็มันรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่มีความดิ้นหล่นนะตรงนั้นก็เลยอยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าสภาวะตรงนั้นเป็นอะไรแล้วก็ควรจะปฏิบัติยังไงต่อครับทําไมไม่ถามอาจารย์ะ่ะ <c oughs> <c oughs> ครับไม่ได้ถาม <c oughs> สังเกตุสเมื่อ <c oughs> ถอยออกมาแล้วเนี่ยในขณะที่จิตเราเป็นปกติธรรมชาติเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นเราไหมมันยังเหลือความรู้สึกเป็นเราไหมดูออกไหมดูไม่ออกครับหลวงนี่ยังเหลืออยู่ เพรานะนั้นเราก็ยังต้องภานาอีกอยังไม่พอครับอันนั้นเป็นอาการของจิตมันรวมลงไปมันแสดงอะไรต่ออะไรให้ดูนะครอ ย, อย่าไปท้อแท้ใจนะครับอย่าใจฟอครับนะทําอีก <ผม S 2> ความเป็นตัวตนมันยังเหลืออยู่ครั บ, รรบเวลาเราดูเนี่ยเราดูตรงนี้นะต้องดูตอนที่จิตใจเป็นปกติถ้าจิตทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะดูไม่ได้เลย จะเหมือนไม่มีกิเลสเลยนะดูตอนที่จิตใจเป็นธรรมชาติธรรมตากระทบอารมณ์ธรรมดานี่เวลาเผลอๆ อ, อ, อะไรอย่างี้มีมีความรู้สึกมีเราฝุดขึ้นมาไหมนะเนี่ยสังเกตตัวนี้จะดูได้ไม่ยากนะแต่ถ้าทรงสมาธิอยู่ทั้งวั น, นแล้วมาจงใจไหนไห น, ไหนอยู่ตรงไหนเราจะไม่มีให้ดูเลยนะค่อยๆดูนะไปทำอีกแต่ว่าที่ทามาใช้ได้นะการมรักาการเจ้าคาหลวงพ่อ ลูกส่งการบ้านในรอบสี่ปีเจ้าค่ะล่าสุดนี้ลูกเห็นว่าจิตมันเกิดดับได้โดยสภาวะเจ้าค่ะคือว่าพ อ, พอเราเริ่มรู้สึกตัวตื่นตอนเช้าเนี่ยมันจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจากที่เราไม่เคยได้แต่ฝังว่าตั้งมั่นแบบมันเคือแป๊ บ, บนึงของคุณที่ส่งการบ้านเมื่อกี้รู้สึกไหมตรงที่เราดูเนี่ยมันมีเราดูดูออกไหม มีเราดูเห็นไหมนั่นแหละมันยังเหลืออยู่เราจะได้ไม่หลงมันนะะได้สู้ไปได้จริงๆแล้วผ่านได้ถ้าถ้ามันแฝงอยู่มีความเป็นเราแฝงแล้วเราไม่เห็นเราจะนึกว่าผ่านแล้วเราจะละเลยไม่ยอมดูเดี๋ยวจะเสียท่ามันนะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมใช้ได้ดีอา้าที่หนูเบรกมีประโยชน์เห็นไหมอ่ะ จากที่หนูเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าจิตตั้งมั่นนะคะหนูไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งมันก็เกิดสภาวะขึ้นมาแล้วหนูก็รู้ว่านี่แหละมันคือจิตตั้งมั่นแต่มันรู้เองนั่นแหละเพราะวีชนวินยูชนรู้ด้วยตนเองแล้วแต่วินยูชนรู้แล้วก็ูถูกนะเทราละชนรู้ผิดรู้ด้วยตนเองเหมือนกันแล้วจิตมันก็ไปเห็นจิตอันเก่าที่เพิ่งดับไปอะค่ะมันก็เหมือนกับ มันเหมือนอะไรที่ฟุ้งๆแล้วมันเหลือเห็นอยู่อีกประมาณ 20% นที่มันยังไม่หมดแล้วมันก็ดับพอมันดับมันก็ดับสนิทเลยอะค่ะอันนี้หนูเห็นถูกใช่ไหมคะแล้วการที่เราเห็นจิตเกิดดับกับการแยกธาแยกขันมันเหมือนกันไหมเจ้าค่ะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้ไม่เห็นจิตเกิดดับไม่ได้เราแยกจนเหลือจิตอันหนึ่งขึ้นมานี่ก็คือแยกได้ขันนึงแล้ว เจ้าค่ะแล้วแล้วโยมก็เคยเห็นจิตมันยึดอารมณ์เจ้าค่ะอว่าเรามันยึดแล้วมันเราบังคับไม่ได้อแล้วทุกข์นะทุกค่ะอถูกแล้วบังคับไม่ได้ไม่วางค่ะแล้วมันวางเองแล้วเดี๋ยวมันยึดใหม่เออถูกมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็วางเดี๋ยวก็หยิบหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วบางครั้งหนูเห็นว่ามันกําลังจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ยังไม่รู้มันจะคิดอะไรอแต่ทําไมเรารู้ว่ามันกําลังจะคิดชั่วมันคิดแล้ว ที่จริงมันคิดแล้วนะเพียงแต่มันยังไม่แปลเป็นคําพูดเท่านั้นเองแต่ไม่มีความรู้สึกออกมาแล้วใช่ไหมเจ้าคะว่ามันชัวจะกิดชัว่วใช่กิเลสมันขึ้นแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่แปลเป็นภาษามนุษย์เท่านั้นเองแล้ว <c oughs> แล้วอันนี้เป็นที่สงสัยนะเจ้าคะ่ะที่เป็นสุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็คือว่ามีคือลูกจะเป็นคนที่ปวดตาปวดหัวปวดแขนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กินยานแล้วก็นอนไปแต่พอตอนเช้าตื่นมาเนี่ย พอรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนมันเหมือนกับรู้สึกจิตขึ้นมาก่อนเนี่ยค่ะแต่มันไปรู้ที่กายด้วยว่ามันมันมันดีหมดเลยอะค่ะมันไม่มีมันไม่มันไม่ปวดไม่เมื่อยแม้แล้วมันหายหมดเลยเจ้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายาเมื่อคืนนี้มันดีจริงๆแต่พอแป๊บเดียวอ่ะมันเหมือนกับมีใครซัดไอของเก่าอะเหมือนผลักเข้ามากลับมาหมดเลยอะค่ะมันเป็นอย่างนั้เจอรีบกลับเปล่า จะรีบกลับตอนหลวงพ่อเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณมาลีดูนะต่อไปให้คนอื่นบ้างแล้วที่ที่ทำมามันโอเคใช่ไหมคะวอเยังอินเทรนอยู่มั้ค่ะฮะยังไม่ตกเทรนใช่ไหมคะไม่อะไรนะไม่ตกไม่ตกเทรนหลวงพ่อบอกว่าถ้ายัขันไม่ได้นี่ตกเทรนแล้วแก่แล้วชาหูตึง แล้วเดี๋ยวนี้แลมันมีศัพท์ใหม่ๆทึ่งเยอะมากเลยหลวงพ่อเรียนศัท์ใหม่ๆจากห้องน้ําสาธารณะเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยดูเขาเขียนนั่นจะมีศัพท์ซึ่งเราไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยกับนรมาส ก, การหลวงพ่อครับคือไม่ได้ส่งการบ้านมาตั้งแต่ปี52นี่ก็พอดีเมื่อเช้าตอนนั่งรถมาที่ศาลาลงชินนะครับมันรู้สึกว่าเกิดสภาวะอย่างหนึ่ง เออมันรู้สึกว่าเออมันรู้แล้วแหละว่าที่กาหนดเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ดูเฉยเฉยเป็นอย่างเนี้ย อ, อะไรอย่เงี้ยมันจะเบาขึ้นใช่แล้วอยากให้ลุงพ่อชี้ชทางครับคือที่เราสภาวะของจิตใจตอนนี้นะใช้ได้แล้วนะขันก็ส่วนขันจิตเก็ส่วนจิตเราไม่ได้ไปกําหนดไม่ได้ไปบังคับขันก็ทํางานไปจิตก็ทํางานไปถูกแล้วนี่อ๋อสาธุใช้เวลา ไม่น้อยนะครับไม่เท่ากันบางคนใช้เวลาเยอะบางคนใช้เวลาน้อยนะแต่ละคนไม่เท่ากันคนระับแต่ดูเหมือนว่าการใช้เวลามากที่มันผิดมาตลอดมันจะมีประสบการณ์อะไรบางอย่าง ใ, ให้เราเรียนรู้อย่างหลวงพ่อนะทำสมาธิเป็นสมถนะเน22ปีนะถ้าพูดในเชิงวิปัสสนาก็เสียเวลานานแต่เดิมนึกเสียดายตอนหลังไม่เสียดายตัวที่เราทาผิดผิดมาเราได้เรื่องเยอะนะ ของคุณนอะใช้ได้นะจิตใจมันมีกําลังทำทำสมถะก็ทุกวันครับทําไม่เลิกแ ต, แต่แต่ไม่ค่อยได้สวดมนต์ผมเป็นขี้เกียจสวดมนต์สวดอะไรไม่ได้พุโทโธตัวเดียวก็สวดมนต์แล้วครับ <นะ S 2> สมถาธิไม่จริงนะแต่ว่าคราวนี้ปรับวิธีทําทําสมาธิไปแล้วจิตเป็นคนดูสบายๆไม่บังคับมันไม่บังคับจิตนะ ไม่ค่อยได้แรงแล้วก็ได้สติสมาธิปัญญาแก่กล่าขึ้นไปเรื่อยๆช่วงช่วงระหว่างวันก็พยายามบริกรรมให้ได้ตลอดวันอะไรเงี้ยมันจะมีผลมีได้กำลังได้กาลังใ่เพียงแต่บริกรรมแล้วไม่ไปเพ่งกำหนดเอาไว้ถ้าไปกำหนดไว้ไม่เกิดปัญญาร บ, บริกรรมไปเป็นแบ็กกราวให้จิตอยู่แล้วก็ดูถ้าดูขานดูกายดูใจทำงานอย่างนั้นเกิดปัญญาครับ หลวงตามาหาบัวท่านเคยเล่าท่านบริกรรมตั้งแต่ต้นจนจบใช้ได้บริกรรมไปครับครับกราบขอพระคุณหลวงพ่อครั บ, ร บ, รบกราบนมัสการค่ะอพอดียมเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่ถึงปีแล้วก็ได้พี่พามาฟังท่านได้ประมาณไม่ถึงปีก็เลยเ อ, อยากจะเรียนถามเรื่องคือการปฏิบัติ เวลานั่งนิ่ ง, งเฉยๆแล้วก็ใจก็อยู่ไม่สุขแต่ว่าเป็นคนทำงานศิละปะมากับ2ี่ปีค่ะเวลาที่ได้เพ้น์รูปหรืออะไรก็รู้สึกว่าสงบดีแล้วก็บางช่วงบางตอนรู้สึกว่าถ้ามีสติจุดนั้นมันจะออกมาได้สวยได้ดีเลยอยากจะกลับเรียนถามท่านว่าจุดที่มีความงามอยู่บนภาพเนี่ยเกิดจาก ส, สมาธิ เออเกิดจากสติหรือสมาธิาหรือว่ า, าปัญญานะ<ะ>เกิดร่วมกั น, กกนแต่ว่ามันเป็นของข้างนอกนะไปสร้างผลงานภายนอกนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งเพื่ออยู่กับโลกเพื่อสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรอีกส่วนหนึ่งเป็นสติสมาธิปัญญาเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจจะกลับข้างกันนะเพราะฉะนั้นทําตรงนั้นแล้วจะมีความสุขแล้วก็ต่อยอดจากตรงนั้น เราก็เห็นจิตใจที่มีความสุขนะนี่ยเราต่อเข้าตรงนี้เลยเราเห็นจิตใจมีความสุขวาดรูปผ อ, อมาสวยพอใจรู้ว่าพอใจอะไรนะรู้สึกกูเก่งรู้เกินวันนี้นะรู้สึกเนี้ยรู้ทันมันลงไปอย่างนี้แหละเรียกว่าต่อยอดเข้ามาปฏิบัตินะสติสมาธิอย่างนั้นเป็นสติสมาธิปัญญาเพื่ออยู่กับโลกนะจําเป็นต้องมีอย่างเราทํางานนี่เราก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาอย่างนั้นถึงจะทำงานได้ดี แต่ว่าถ้าทํางานไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรเนี่ยค่อยรู้เอารู้ทันใจของตัวเองไปนะจะได้ต่อยอดค่ะก็อยากจะเรียนถามตรงต่อยอดนี่ค่ะว่าเราจะเอามาแอพพลายยังไงกับการปฏิบัติธรรมนะค่ะต่อตรงนี้แหละวันนี้วาดแล้วใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านมากเลยยังไม่ต้องวาดให้รู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านรู้ทันอย่างนี้ก่อนแล้วใจสงบแล้วจะมีหน้าที่วาดรูปก็วาดไป ว่าเราออกมาไม่ได้อย่างใจโมโหรู้ว่าโมโหว่าเราออกมาถืออกถึงใจชอบรู้ว่าชอบเนี่ยรู้เข้ามาที่ใจต่อยอดเข้าตรงนี้เลยต่อยอดเข้าที่ใจกับน้มันสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านในสองปีช่วงที่ผ่านมามีศีลข้อที่สี่ไม่ดีค่ะปัจจุบันก็เริ่มดีขึ้นค่ะพยายามรักษาศีลให้ดีขึ้นก็จะมีความสุขเกิดขึ้นค่ะและ้วก็ เคย<ค>ได้ยินไหมสีเลนะสุขติยันติมีอมีสีนั่มีความสุขน ะ, ะแล้วก็ก็เห็นขันต่างๆอะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นเกิดดับก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยพัฒนาแต่ว่าอยู่ในทางหรือเปล่าอยู่สังเกตไหมอย่างนีน้ร่างกายพนมมือไม่ใช่เราพนมมือนะมันเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเข้าขันมันแยกแล้วนะ อย่างร่างกายกระดูกดี่งนี่เห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เราเนะี่ค่อยรู้สึกค่อยดูไปแล้วความรู้สึกอะไรแปลกปลอมมาก็เห็นเองมันไม่ใช่เราอีกนะดูอย่างนี้แหละเรียกว่าเดินปัญญานะมันไม่พูดคาว่าใจรักให้ฟังหรอกขอถวายการปฏิบ<ม>ัติให้แก่พระพุทธเจ้าหลวงพ่อ<ม>แล้วก็คุณพ่อคุณแม่สาธุกล่านมัสการค่ะตอนปีใหม่ ยมมีทุกข์ครอบอะค่ะมีอารมณ์ครอบทีนี้ตอนนั้นก็ได้วิเวกอยู่สามวันยมก็เลยแยกก่อนเพราะว่าไม่ถ้ามันครอบแล้วมันจะลงต่ำยมก็เลยแยกพอยมแยกกองทุกข์อยู่ฝั่งหนึ่งติดอยู่ฝั่งหนึ่งก็มีสติเป็นเพื่อนสติก็คอยดูว่าจิตไหลไปไหมจิตก็ไม่ค่อยไหลไปไกลคือพอไหลปุ๊บสติก็คอยรู้ไว้ก็เลยจะเห็นว่าไหลไปก็เป็นทุกข์ แต่ข้างในนี้ก็มีทุกค่ะมีทุกอยู่มันก็เลยอยู่ระหว่างสองทางข้างนอกก็ทุกข้างในก็ทุกถูกไปไหนไม่ได้ถูกไม่มีที่ให้ไปไม่มีที่ให้ไปแบบทุกล้อมกรอบทุกด้านเลยขยับไหลไปนิดนึงก็โดนเปลวของทุกอะค่ะออันนี้มันเป็นขั้นๆไปนะจนถึงขั้นละเอียดเลยมันก็จะเห็นเลยในสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่ที่จะหยั่งเท้าลงไปแล้วว่าไม่ทุกน่ะทุกหมดเลย ค่ะพอมันทุกข์แล้วยอมก็คิดเป็นอยู่หลายวันทํำยังไงดีก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกกิดต่อทุกข์คือรู้อยอมก็เลยรู้พอรู้ทุกข์ก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันไม่ใหญ่เอค่ะกิดต่อทุกข์คือรู้ยอมก็เห็นนะไห<ป>มพอถ้าทุกข์มันมีอยู่นะใจเราไม่ได้มีความอยากมันไม่ไหลไปนะมันก็ไม่เอาเอาความทุกข์เข้ามาถมตัวเองค่ ะ, คะนั่นแหละดีค่ะและหลังจากนั้นพอกลับมาไม่ได้วิเวกแล้วมาทํางาน สติไม่เป็นเพื่อนละพอทำงานมันก็ไหลแต่พอไหลไปไม่วิเวกมันก็วิวาดเลยพอมันไหลไปมันก็ไปก่อวงจรวงจรเสร็จพารู้อีทีเอาน้ำตาซึมละเออค่ะไอ้วงจรนั่นแหละที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค่ะพอมันออกไปมารู้น้ำตาซึมก็เอาละแต่ว่าคือทำงานมันก็วิเวกไม่ได้อยู่ละทินิยมก็เลย คิดว่าเอายังไงดีนะจะตัดที่ไหนดี mm hmm. คือวันนี้จริงๆตั้งใจมาถามหลวงพ่อยอมจะตัดตรงไหนแต่หลวงพ่อเมตตาเทศแล้ว mm hmm. จะตัดตรงผัสสะตรงไหนดีเวทนาเอาไงดี mm hmm. แต่ท่านไ ม, ไม่ได้ตัดที่ไหนเลย <c oughs> รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นแล้วปัญญาเขาจะตัดของเขาเองเขาจะตัดเมื่อไหร่ตัดตอนไหนเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของเราเราตัดไม่ได้ <c oughs> งั้นโยมก็รู้ไปเผชิญหน้ากับมันไป ถือหลักที่ผู้เจ้าสอนให้แม่นเนทะ่านั้นรู้ทุกไวรู้ทุกด้วยใจที่เป็นกลางไม่ได้มีความอยากให้ทุกหายไปรู้ทุกละสมุทยัยตอนนี้โยมก็รู้ทุกสมุทัยก็รักอยู่เวลามีสติเป็นเพื่อนอแล้วก็แต่ น, นี้รถจะมารไปไม่เป็นยังค่ะ <c oughs> <c oughs> ไ, ไปไม่เป็น <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีอยู่วันนึงเปิด youtube ช่วงนี้ล่ะคะ่ะเปิดยูทูปฟังหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเทศเรื่องอนนาตาอยู่ ยอก็ฟังอนาตามาหลายทีก็ฟังไปกันไม่ค่อยเข้าใจแต่วันนั้นปิง๊งซึ้งขึ้นมาก็าายอมรับมเนะมันแปลกตรงนี้แหละาบางทีเราฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเราคิดว่าเข้าใจด้วยนะแต่มันไม่ใช่อะ่ะแล้ววันหนึ่งมันปิง๊งขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอ้ยแต่ก่อนนะั้นเข้าใจเหมือนกันแต่เข้าใจผิดนะมันเป็นชั้นชั้นขึ้นไปอะ่ะ<า>อย่างซีดีหลวงพ่ออยูทูบยูทูบอะไรนะไปฟังซ้ําๆเถอะ จิตเราจะพัฒนาไปความรู้ความเข้าใจมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะก็ยอมรับอนัตตาแต่ตอนที่ยอมรับมาก็รู้แล้วว่าสภาวะที่ยอมรับเนี้ยต้องเสื่อมแน่เสื่อมจิตที่รู้ตอนเนี้ยตอนนั้นดีดามากต้องเสื่อมแน่เลยอ่ะแล้วก็เสื่อมจริงๆค่ะเสื่อมเสืมแต่ที่รู้คือรู้แล้วคือเราได้เคยเห็นแล้วแต่ใจยังไม่ยอมรับต้องเห็นแล้วเห็นอีกจนวัหนึ่งใจยอมรับใจยอมรับนะธรรมะก็จะเข้าสู่ใจเรา าการที่ใจอยอมรับความจริงนั่นแหละคือใจที่เปิดขึ้นรับธรรมะค่ะไปดูนะทุกน่ะพอเราผ่านไปแล้วแล้วก็เราพัฒนาตัวเองมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามันไม่ใช่ส่วนเกินที่เหลวร้ายนะเป็นของดีนะทุกคนซึ่งจะเข้าถึงความหลุดพ้นได้นะถ้าไม่เห็นทุกไม่พ้นหรอกค่ะ ลูกลกไปยังไงต่อคะไปอย่างนี้แหละอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปไหนค่ะนะรู้สภาวะอย่างนี้แหละแต่ถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านหรือทําทำความสงบบ้างสวดมนต์ไหว้พระคิดถึงทานคิดถึงสีอะไรของเราไปนะค่ะลูกทำในรูปแบบบ้างแต่ไม่มากอะคะ่ะแต่บางทีพอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงก็จะคิดว่ากลับบ้านมันก็จะกลับมาที่กายบางีมันก็จะ กลับมาบ่อยๆหน่อยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแต่ละชั่วโมงถ้ากลับบ้านได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะกลับขอพ่อพูดนะะมันจะได้แรงนะค่ะกลับนมาสการหลวงพ่อค่ะหนูมือใหม่มากเลยค่ะมือใหม่ดีมือเก่าเราต้องติดน้่นติดนี่ค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ยัง ตอนนั้นตอนที่ฟังอะค่ะ <c oughs> ก็พยายามรู้รู้ให้ทันความรู้สึกมีลูกค้าโทรมาแล้วโกรธแล้วก็ไปพยายามไปดูว่าโกรธเป็นยังไงแต่ปรากฏว่ามันดันหายไปก่อน <c oughs> ไม่เหนเนี่ย <c oughs> แล้วมันก็หายไปเราลงยืดยืดตัวนะสิ <c oughs> แล้วพวกเราลองดูสิคนไหนดูเป็นเนี่ยฝึกเดือนหนึ่งเป็นอย่างนี้นะยนูหนูยืดตัวให้คนเขาดูหน่อ <c> ย <oughs> เนี่ยหนึ่งเดือนน่ากลัวไหมพวกเก่าคล้ำคล้าเนี่ยแหละเห็นแล้วเศร้าใจแ ล, แล้วไงอีกแล้วพอหลังจากนั้นหนูก็เลยถ้าอย่างนั้นหนูลองปฏิบัติตามรูปแบบดูค่ะก็ก็ปรากฏว่ามันทุกๆคือภายในหนึ่งนาทีเนี่ยค่ะมันก็แบบเหมือนจิตมันแบบ คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนเราตามไม่ทันตามไม่ทันมันเยอะมากอะคะ่ะ เ, เลยกลายเป็นว่าหนูหนูงงค่ะก็เลยไม่รู้ว่าต้องเวล า, าที่มันเกิดมากนะยุบยบยุบๆับดูไม่ทันนะหนูมองภาพรวมว่าขณะนี้จิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่มีอันเดียวคือฟุ้งซ่านคราวนี้ดูออกเลยมันจะขาดนะความฟุ้งซ่านดับจิตจะสงบจิตสงบแล้วมันจะค่อยๆมาช้าๆคราวนี้ดูได้เพราะงั้นเวลาที่มันมาปั๊บๆๆ๊ดูไม่ทันเนี่ย มองภาพรวมให้รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่แค่นั้นตัวเดียวเลยจอดเลยโอเคง่ายมากการพอนาค่ะขอบพระคุณค่ะแต่กว่าจะได้ทริคแต่ละตัวนะก็ต้องแลกเลือดแลกเนื้อกันละค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะหนูขอการบ้านต่อได้ไหมคะเราไปทำอีกเดี๋ยวขี้เกียจแล้วกันค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะนวัสการนาหลวงพ่อ เดี๋ยวคนนี้จะส่งกันบ้านต้องตกลงกันก่อนห้ามพูดยาวอะว่ามาค่ะฝึกไปฝึกมายังไม่ทราบว่าตัวเองไปถึงไหนจะไปไหนฮะ <c oughs> ไม่ไปไหนเรกอยู่กับปัจจุบันไปก็เห็นเห็นไหมว่ากากระใจคนละอันเห็นค่ะเห็นอยู่แล้วชัดเจนด้วยนะเห็นไหมความสุขความทุกข์ความดีความชั่วกับใจก็คนละอันค่ะเอองั้นไม่ต้องสงสัยอะไร หน้าที่ต่อไปนี้ก็เห็นกายมันทำงาน<ส>เห็นใจมันทำงานไปเรื่อยๆดูไปสบายๆสังเกตไหมว่าใจเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะนะเห็นไหมว่าความสุขมันผุดขึ้นได้เองค่ะเห็นไหมตอบได้ทุกข้อเลยถามอะไรก็ตอบได้น้าส่งไม้ไปเก็บขอ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณค่ะครับโอกาสนี้ก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทน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 ยถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปันทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปูเรนตูสังกปาฉันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนโัตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุเนี่ยทีมอัดเสียงทีมทําซีดีนะลองดูสิเนี่ยเขาฟังซีดีเดือนเดียวนะเห็นไเป็นบุญนะที่พวกเราทาอะ่ะเป็นบุญอนุโมทนาด้วยกับทีมงานเนละ